ไม่ดีเลยเหยียบคอดูแลแนะนำตามฟ้อนหมุกข์กยยขันเึ็มเม็ดเป็นหน่วยเหมือนเ่อไหร่แต่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะวเวลาจะของทำลดลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลวลงตามกันไปแล้วเลวลงเรื่อยเย ในเลอะเลอะเถอะไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติกัเป็นพระเลอะเลอะเถอะวัดเลอะเลอะเถอะเถสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากเห็เร actions, altet, <S <S ียนใครเรียนก็เรียนได้ เรียนสักเท่าไหร่ก็เรียนได้จำได้เฉยเฉยมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาพปฏิบัติเป็นสิ่งสาคัญมากนะฟังให้แล้วเราก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระ เพศของค้าก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรเพศถีเพศยักษ์เพศไม่ลงตันเแล้วบอกอ่านั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมก็เป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังไม่ละ ว, วัตระวังเอาอย่างมาก เขมงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลัหหกวิชาของสตร์วิชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวเจ้าของด้วยพาให้กัดหมูเพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาศัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมเรากลัวหน้ากลัวหนาพูดแล้วพูดเหลาซ้ำซ้ำซากซา ก, กกับหมูกับเพื่อน มันยังมาสแสดงจะได้อย่างไร ม, มันเก่งไหม เ, เรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทําตามมันนั้นเราเก่งไหมนี่ข่ะเราเร็วลงโดยลําดับนึ่มันเคยผ่านมันมาก็จนพอเรื่องอย่านี้ไม่ผ่านมาันจะ ยังโชคโช่วยเอาเป็นเราตายเข้าว่ากันคำมันแล้วแต่ไม่ได้ทอดได้ความออกมาถ้าไม่เห็นเหยีเห็นผลเเรื่องเห็นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรร ม, มระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเรานมันไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นเนะี่ยรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอํานาจ ในสับสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิจตตตวิญญาณดวงใดเนืเน้อมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นเจ้าอํานาจในวิญญาณจิตตวิญญาณแต่และดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พวความกิเลสที่เป็นเจ้าอํานาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เช่นว่า ติดของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดปากมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำกิดตดาบิญญาณด่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญดาณทั้งหลายที่ยังอยู่ตามหน้าของมัน หนึคร้งในีระเได้ปอูกฝาบธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านาของเจ้าของหนึ่งวิชาของเจไที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหา ก, กินกับสัตว์มันใช้เป็นอำนาจบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันมันแยกออกเป็นข้อๆของ เป็นตื้นนี้และญ า, าป่าคอกนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่ก็จึงเชื่อมันอย่างหล่อจมน้ำจมดินไปเลยเชื่อบาปเชื่อบุญเพียงเพินเผิ่นเชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทิ่านไม่มี ตแล้วสุดท้ายเป็นสรุปบนใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญ น, นี่มีแต่วิชาของเจดีด์อยู่ในหัวใจของสัตว์แต่เราดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันกนั้นมีถ้าไม่ได้รับวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงินอะไรใดออกมาเลย จะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้ง ง, งที่มันปลอบล้วนๆเห็นยอย่างตายแล้วสูญจิตวิญาทุกดวงทุดวงมืดตะยิเดศพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันมันถึงว่าตายแล้วสูญไะ้ิมันเองเป็นผู้พาที่เดศพาสรตว์ทั้หลายพักพาให้เกิดในพวกน้อยพวกใหญ่ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแพ้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท้ายเกิดเชื่อที่ฝังอยู่ภายในวิญาณแต่ละดวงละดวงวิญญาณแต่ละดวงละพาให้เกิด แ, แ ล, ดวแลดว้แมแแล ว, ลวมันยังกล่องกระทตายแล้วสูญได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแกเจ็บตายหมุนยันเปลี่ยนแปลงมา ก, กี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่และดวงละดวง มันเองเป็นผู้าพาดผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราและภาปฏิบัติเราเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วจะหนีจากการปฏิบัติภายในใจิตใจผิดนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาทำมันให้อยู่ในเมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดยม่งเรศมันไม่เหนือธรรม ถ้าลงด้วยมีความหึกหานด้วยธรรมแล้วอย่างไรเจเดต้องเหมาะ mm hmm. แล้วก็ค่อย เ, เห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยเืยเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยเรื่อยเรืยจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจําปองของจิเลด ย, ยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลําดับลํานาจนกระทั่งเอาจงความันเลยไม่มีเหลือแล้วใคร มีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีในโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีวิภาน์ไม่มีตายแล้วศูนย์จะมีตัวไหนมาหลอกหมดนั่นนั่นทพ่เห็นชัดนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์ะตัวมันตะายไปแล้วคิดผายจักใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงบนล้วนแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงบอล้วนแล้ว บาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิต ด, ดวงนี้นบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแท่ไรประจำจิต ด, ดวงนี้อืผู้ต้องเที่ยวไปเจ็เจ็บตานึนภพน้อยใหญ่สูงสูงต่ำต่ำมีนาโรกเป็นตน้นก็ใครเป็นผู้ทุกข์่องเที่ยวก็นี่เป็นตัวนักเนะ่มันเห็นจชัดๆในจัวของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนอืมแล้วเมื่อถอดเชื้ อ, อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิต ด, ดวงที่พาให้เกิดนี่นะ มันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันศูนย์ที่ไหนสิแต่ะกอนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันศูนย์อะไรแต่มันยังหลอกว่าศูนย์ทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่มันไม่โกอกเราหน้าต่อตาถอดถอนมันออกพูดง่ายเอามาเผาให้แหลกด้วยตปธรรมเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามันศูนย์นที่ตรงไหนสิความรู้อันนี้ มันยิ่งเด่นครอบโลกธานหรือว่าอะไรเ อ, อะไรมาศูนมันก็เห็นเป็นความจริงภายในใจตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาคาดัคาดค้านแล้วเราทําไมจะไม่รู้ว่าตัวมันหลอกตัวมันมาปลอมมาปิาป้นต้อนหลอกลวงลว่าของจริงมันหลอกให้เป็นของปลอมไปได้แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยนี่ทีนี้มันไม่มีในหัวใจมันก็ชัดไปเล นี่รรเราทำอาอุไรเจ้าอยู่ในสันติสุขกตธรรมของผู้ปฏิบัติแล้วไปหาคิดงมฝ่างมงมเลุ็บรมคำดำคำขาวไปตามกิเลสมันหลอกเห็นว่านั้นเดือนนั้นตีนั้นตีนี่ข้างพุทธเจ้าท่านตักตวงมะขุลนิพพานครั้งนี้หมดหลังไม่มีมะขุลนิพพานที่จะให้ตักตวงนังเห็นไหมกิเลสมหลอก นี่แต่กิเลสมันให้มันตักตัวมันเอาผลอุปโยงของมันเหยียบย่าทําลายเราลงไปตุววันตุววันนี่เราไม่ได้ชิดนงการทำเขามาฟาดหัวมันมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพอีมันจนแหลกสามวงทั้งหลายทําลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้สิดได้นไง นี่ที่สมาพันธ์นิพพามันยังเกิดขึ้นไได้โดยโยนให้การสถานที่ไปแล้วเวลาไปหมดวิเวียนยู่ในหัวใจมันไม่ได้จิตนี่ยมันหลอกให้โยนตามสถานที่ไปล้วเวลาถ้าครั้งบูชาการเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสมาพันธนิพพานครั้งบูชาการเป็นอย่างนั้นอยางนครั้งนี้หมดหวังหมดหวัง ห, หวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกหลอกอย้กเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะือ มันจะผากผลขนาดไหนเอาสิกินตรงนี้กิเลสพายผาาผลทำพายผ่าผลค่ากิเลสไม่ได้มีหรอือะทําเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันนามาพระพุทเจ้าพระองค์นายตรัสสรุปเป็นมาก็ตรัสสรุปทำสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนทำก็ทําสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสไงมีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่การในไหนนั้นมีเบื้องต้นเบื้องตายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริง นั่นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่องนมาตะกับไหนกันไยเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความเฉลียหลักดือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นเองธรรมโญ่ก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่เช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปกักอยู่ในหัวใจเราไม่เคลื่อนค่าจากนั้นไปเลยเนี่ย ทำเป็นมัจจิมาก็ฟฟาดตรงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นเฉียดมันทนอยู่ได้เหรอมันแตกกระจายไปหมดนอนากาลิโกอากาลิโกว่าอยู่แล้วในทำสออยู่มันไม่ใช่การนะนี่ทำมันไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เรือลรํำเวลาสถานที่ที่ไห น, น, นมีหลับเวลานะ ราคาอยากให้เป็นสมบัติทองไปเองก็ปฏิบัติเข้อพายก็ปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธรรมตั้งแต่ทำขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดพิมุตพระนิพานนอกจากใจเป็ไม่มี mm hmm. เช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามแต่หยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันจะมีอในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจ น, นี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรม พอเอากัขึ้นถี่นนนบนคอนบนหัวอนเียย่างนี้เราไม่รู้นี่นะะไม่ทันมันเพราะมันชินซะพอแล้วชินอยู่บนหัวใจเรามันชินจะพอแล้วทำหยุดนับจะนาทําขึ้นมาบนหัวใจมันนั้นตัดลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้น เนี่ยเรื่งที่เคยพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแคะนั่นกิเลสถ้ายกเป็นสมมุดนะแค่เครียดแฉะเต็มหัวใจเลยผมผมพูดจริงๆขนาดนั้นล่ะโอ้เคยถูกบันดัษสำนานมาทั้งว่างต่อมาไม่นู้เลยืตัวขาดสึดตัวเหมือนเพว่าตัวท่าจะพูดเป็นแบบลวกก็เหมืตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยอ่ะอืมมันไม่มีวัน ลดหย่อนผ่อนต้นให้มันเลยเดี๋ยวะความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นถึงไม่ยอมที่ว่าจะลดความผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเ่งนะมันได่เห็นไม่ได้ไม่ใจมันจะทัดเอามันมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับ โทษของกิเลดมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันถึงเวลามันมันดืดมันดิ้นที่จะเพื่อหลุดตัวพ้นมันเอาจริงๆรเอาชีวิตจิตใจเข้าวายไม่มีอะไรใหญ่ ย, ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสียที่จะมาให้จมด้กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัขวาขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะมิจะมายอมจมกับมันอีกนี้ เป็นไม่ยอนไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นมันเป็นขนาดนั้นละกินเน่ยเป็นได้ทั้งๆที่ต ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก่อนมันโลเลโลกเล็บนงเหลวไร้ก่อนแอะข้อแท้ขี้เกียจขี้คราดเสือคานเลยเพาะนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไป ตรงๆตรงคน ล, ลงไปนรกอะไรกีเนี่ยถ้าจะให้เดินดังเนินตามธรรมอันที่เดี๋ยวไม่ล่าอะไรเงี้ยเราก็ยอมเราไม่รู้นี่หวังก็ความฝุ่นหวังว่าความฝุ่นหวงความฝุ่ ม, ม, ม, มันบังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ด้วยแล้วความฝุ่นความสามบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั่นหวังนี้ หวังจะมีความถูกความทะนันบางใจหวังจะล่ำจะ้วยหวังจะมีความถุกความเจริญกับสิ่งนั่นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับหมัดิเงินทองเข้าของนี่สร้างแต่ความหวังของหวังแต่ผลที่จะไจดะ้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหะสร้างความหวังวาดมนโนภาพรอตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาห า, า, าความถุนความต้องหวั ง, งดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้ มันหลอกอย่างนั้นผมมาบวชนี่ก็หวังได้สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็หวังแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลนะายในหัวใจขณะที่หวังหวังอย่างนั้นเราไม่รู้มันม่ถึงเกลียดถึงแค้นผมพูดจริงจริงนะผม ถ้าจะพูดแบบโลกๆแล้วไม่เคยได้เชดแช็งสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าทางความเชดแช้นของกิเลสให้เกิดกิเลสที่มีภาังมาแข่งเัวเอนถึงขนาดนั้นเ ว, วะลาเวลามันเป็นมันเป็นอย่างๆ ไ, ไม่มีใครบอกใครสอนมันหนักรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น โทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันมันเริ่มรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาเป็นวันหนาทุกขรู้อย่างเต็มใจเต็มใจเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมารู้เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักรในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมเห็นประจักรหัวใจมันนอนใจได้ยังไนงไนง ะ, น, น, น, น, ง น, ะนั่นแหละยิ่งมบบเป็นมาตายมันไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้อเป็นเรื่องตาย เรื่องคําต่างหาเรื่องเงื่อนตัวนะที่จะให้ดูให้พ้นเรื่องกิเลสต่างหาที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือไปได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจความหมายนะถึงบาลาแล้วมันเป็นอย่ังไงนะขอให้ตัานใจศีลพยายามบาเพ็ญดาเนิน นี่ครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้รก็มีหนังสือก็มีตลอดถึงแทปที่เดียวได้ยินได้ฟังก็มีนี่น้ำโน่นเอาเอย่างนี้นี่ยุงโ응น่นนั่งไปหุปผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการช่วงเวลาก็าให มันเป็นเงินเป็นทองตามเนล่าเวลาแผ้บ้านเว่ย응ให้เกิดเงินเกิดทองคือความดุความดีตามเวล่ําเวลาที่ม า, าพักมากน้อยทางหูทางตาทา ง, ทางใะก็ดีตาเห็นดูทังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาทิศสาอบรมขอวัดปฏิบัติมันทํำยังไงกันดูไม่สงสัยตรงไหนถามกัน ถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมชี้แจงแนะแนวทางให้ทันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมอย่านําความอวดรู้โอดฉลาดออกมาจากตลาดเป็นตลาดที่เด็กฉลาดสังหารทำนะครับทำอยู่ตรงนี้ พูดปพูดไปมันกนหน่อยอย่างเงี้ยามีเชา่าคนมามากไม่ได้พูดสองสามสองสามประโยชอะไรเท่นั้นอ่าก็กลับไปสงสารมันสงสารเกียวเครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อนเหมหือยใหงเลยหัดขันนี่ไม่เห็นแต่ใครใช้เม่มีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้เลย โข้ารับมันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเหลวไหลลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยมีคุ้มค่าของความมาทุกษารทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ คนที่เข้ามาเ น, นี่ยเหมือนกัน เ, เกี่ยวข้องกับว่ากวาง ม, มาจังหารคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยหิดใจก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องหนนนี้ตพรงะหัวใจคนหลายประดิษฐ์นิสัยไม่ใช่จะแบบคนคนคนค น, คนแบบเดียวกันชัำผพันอ์่าไ ป, ปุ้นไคร อุรมนามุ่งมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดพูดจะธรรมดาพอได้เหตุได้ผลได้ใจความเท่นั้นหยุดนะไม่สึบไม่ต่อแล้วยิ่งยุงยงวายต่อไปนั่นนะพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหยื่อขาเล่นโลกโลก ต้องทําห้มสมบูรณ์อยู่ภายในตัวเองระมัดระวงรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะสัญชัยกับใครนี่ครับที่จะทำตัวให้ดีหนึ่งความ น, นับถือมันเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรื่องใายก็เรื่องสายผมพอใจเ็พอใจอใจ น, นหัวใจเขาให้เราไม่ดีลจะเขาจะเขารดนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะ ยันปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงหักถึงธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร0เปซ็นะ้นั้นมันก็ยิ่งชัด1้0ดเปอร์เซ็นด้กันทั้งนั้นแหละมไม่หวังอะไรทำตามเหตุตามผลยิดตอบอาจารเรื่องราคที่เรื่องมันนะเกี่ยวข้องกันทั้งนั้น เายียญาติของมนุษย์มีต่อกันทำไปเท่านั้นเลยหลังอ ะ, อะไรกับใครหลังอาหารเนี่ยอะไรเปนประโยชน์ยิ่งกว่าทำพอที่จะหลังนี่หวังกบใครเนี่ยเพราะว่าธรรมนี่เป็นปเสกจุดแรกในโลกนี้ถ้าธรรมมีเด็กหัวใจจะไปหวังอะไรอีกที่นอกนมื่ไปจากมีมีไายประเสริฐแล้ไม่เห็นมีเนี่ย ดีกว่า ด, ดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วถ้าเิดก็ประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งแน่นั่ก็ททาท่านหาไปเรื่อยๆหัวหอ่มวหนุ่มว่เนี่ยคูตอนนี้เราบอกแล้วนะหัวนุ่อันุ่ ยาเนี่ผมยันไม่ชันตัวกระอลอกคอแล้วจิกพวกนนั้นแะมม้ยุงในถังนอ น, นเป็นๆ น, นี่น่ะเอาไปไว้ร่อสัตว์ให้มันมาหินแย่ทั้งตัวแล้วก็จะเอาเหยี่ยวตัวนั้นเน่ะมันฟังไม่ได้กูเลยเนี่กผมเข้าใจว่ามีคาราวาชเขาอาจไปขโมยไปทัง เพราะเมื่อวานนี้ผมกำลังทำงานวานันวันเสาร์ผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้แยกตร น, นั้นออกนี่ออกตอ ง, งนานีเขาเรียกตำนานนเลยไม่ทราบใครล่ะไปไ ป, ไปดักวันนู้นสุด ต, ตรงกตรงกต้นตก เฮ้ยเอามากค่นี่ยฮึฮึไม่อ้วนไม่เห็นห่าเลยนนตอนนี้ก็ลุยเยอะก็สานิไม่เห็นห่าไม่ลุย ที่ไหนหรือมีพระฤาษีไปทํามีไหมพระไปเอาแยกไปปลูกอย่านั้นไปลรอเหยื่อหรือมีหรือมีไหมมีใครจะไปทำไหมแล้วเราเราเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้แตลกระวาเขาแอบไปทําอย่างนั้นผมว่าเรา ว่าพระเราจะไม่เห็นแต่ก็เล่าไปเห็นใช่เองมัน น, กกนี่แก้แย่แล้วนั่นอกแล้วตงบานอันนี้มันมีจีมันนี้เหยี่ยวชนิดนี้อีกอยู่เยอเขาเรียกี่ยวตัวนี้เขาเรียกเหยี่ยวตาเหลืองทางนี้เรียก ว, ว่แล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั่นเนี่ยแล้วนี่ เดี่ยวนี่มันเท่าขนาดไก่เท่าไก่นะมันมีสองภาษาต่างๆอีกภาษาหนึ่งด้วยแล้วพันต้นแล้วตาเหลืองสองอย่างมันเบยมึงยังไงโอ้ยที่ตรวจอ๋อ มือโม่มเพื่นหลายเลยฮะตั้งออกไปยูนเ อ, อเดาวเที่ยงมอกไปมันสองโตนโปโมกเลเนงด้วยไอ้โปมันตอหรอกยินดันเอียนพูดว่าโปนี้ประมาณเก้าปีกว่างั้นมาตอนแพ็มาอยู่ที่นี่ว่านั้นแล้วคุณสริปไปใหม่ๆด้วยงั้นนั่นเป็นว่าประมาณเก้าปีว่า โป่ยมามาอยู่ว่ากันนะท่าเดย็นนะพูดะ่ะท่าเดย็นพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิรูปไปแล้วคุณแพทมาว่างันนะ้โป้ก็มาระยะเดียวกันนี้มาเก้าปีกว่านี่มันก็น่าทึ่งละ ตัวเลกวางะคุณออกมามาวา ง, ง, งเลยนเป็นแบบจะดทางนี้หน่อยด้วยเป็นแบบภายในหัวใจด้วยจะแคะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนะักแต่เป็นกระตุกกระตุกไม่สะดวกในหัวใจ นี่ผม ม, มัมีสองอย่างที่เราได้พิจารณาก็คือเปลี่ยนยานเริ่มเปลี่ยนมวันแล้วก็หยุดมากด้วยเพื่อายามันมีส่วนอะไรบีต้องบังคับหัวใจอีกฟูอะไรครับผมไม่ปรักใจอะไรมากนักกับฟูยิ่งกว่าปรักใจ ก็ยายานี้มันถุนมันมันมันอัดไปบีบหัวใจได้ถ้าไม่ถึงก็มันถุนให้เรารู้นะมันมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบยาหนึ่งเป็ ครูหรือว่ามันจะมีส่วนที่นี่ก็ตัดออกแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปก็มีส่วนเยอเนี่ยบางคนฟังไปเนี่ยตาว่ามันก็หมไปแล้วเดี๋ย ว, ว่าพลิกใหม่เป็นใหม่อ น, นีภาษาพอดิสารเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยา โรคเขาเยามาเขามาเขาเรียกว่าโนนรคอะไเช้าเหลอกอะไรน่ะโรกเล่นกับยาโรคห ล, กลอกยายาอะไรไปฉันไปกิน น, นึ่นนี่มันจะสงบเลยแล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นเพ่งใหม่ขึ้นมาแล้วหายาอะไรไมาไงมันก็สงบอีกแล้วก็เปลี่ยนเพ่งใหม่มาอยู่อย่างนั้น โรคชนิดนั้ น, นไม่มีหายเขาเีกโรคทะเลาะยาระาว่างดอกของเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรื อ, อเราจริงเรากำลังพิจารณาถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันก็ไม่มีอะไรจะมารักษาม้านมนให้หาย มีตายท่าเดียวถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นใครมนทะเลาะยาหรือมันเรยมันฉอลอกใชะไหมฉ้หลอกใช่ลยอันยานทะเลาะยาโลกลีบยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเช่นแสดงอาการสงบเป็นต้นโลกนนี้ไม่เห็นมันมันหายไปได้ลายไหนลานั้น หมดถือท่ามก็ตายไปเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นทีแรกก็สงบเอาใจมาให้สงบนั้นแหละสงบได้วันหนึงสงวันต้อพลิกใหม่นะเจ้ายาหายาใหม่มนาะสงบไปวันนึ่งวัพลิกใหม่หรือว่นี่ไม่นี่เขาก็นแน่ใจเลยเลยว่าโรคกว่านี้ไม่หายเขาบอกเลยจต้องตายถ่าเยเยอ โลกของเรานึ่งเดืนเป็นมาค่นหน้ตมาเพิมความาดีขึ้นมาอ